ครั้งที่แล้วเราพูดไปได้คาถาเดียวเนาะคือคาถาว่าสัมมาสัมพุทธมะตุลัง ส, สัสสัธรรมะขนุตตะมังอภิวาทิยะพาสิสังอภิธรรมมัทสังกะหังที่แปลว่าข้าพเจ้าขออภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้พร้อมทั้งพระสัตธรรมและหมู่แห่งพระอริยสงฆ์อันสูงสุด แล้วจากกล่าวประกรร์ชื่อว่าอภิธรรมมัทสังฆะนั่นนะก็เป็นคำกล่าวนอบน้อมนมาสการพระตนะตรยัยแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะเรียบเรียงคำพีเชื่อว่าอภิธรรมมัทสังหะอภิธรรมะเนี่ยนะก็คืออภิธรรมนั่นเองหมายถึงอภิธรรมปิดกมันะอภิธรรมมังบวกอัฏฐะบวกสังฆะนั่นนะอภิธรรมหมายถึงอภิธรรมปิดก มัฏฐะตรงนั้นมาจากอัฏฐะอัฏฐะนี่หมายถึงเนื้อความส่วนสังขหารีแปลว่ารวบรวมหรือแปลว่าเรียบเรียงก็ได้คำภีที่รวบรวมเรียบเรียงเนื้อความแห่งพระอภิธรรมปิดกโดยย่อนีนะที่ถ้าแปลอภิธรรมมัฏฐสังขหารนะีแปลว่าคำภีที่รวบรวมเรียบเรียงเนื้อความของพระอภิธรรมปิดกโดยย่อนะถามว่าทำไม เพื่อประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้เรียนง่ายทรงจำง่ายสาธยายง่ายผู้สอนก็เอามาสอนง่ายขึ้นอันนี้เป็นความหมายย่อๆของคาถาที่หนึ่งส่วนคาถาที่สองบอกว่าตัฐพุตตาพิธรมมัฏฐาจะตุธาปรมัทโตจิตังเกตสิกังรูปังนิพพานมิติสัพพธาอัฏฐะคือเนื้อความแห่งพระพิธรมปิฎกงัน อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้นนะ่ะโดยประมัดคือโดยอัถทุกประการเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกันคือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งและนิพพานเนี่ยนะคุ้นเคยกันก็คือจิต 1, เจตสิก 1, รูปนิพพานทีนี้เปิดดีการนะหน้ายีหน้ายีต่อจากครั้งที่แล้วว่าท่านอาจารย์คือท่านอาจารย์อนุรุาอาจารย์นีนะ ครั้นทำวิธีมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้นซึ่งเป็นนิมิตแห่งประโยชน์ตามประสงค์ก่อนแล้วนะประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยคืออะไรก็คือเพื่อกําจัดอันตรายทั้งหลายที่เรียกว่าตัสศนุภาเวนะหัตันตรายโยนะโดยบุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยนี้อันตรายทั้งมวลจะได้มีแก่ข้าพเจ้า พอท่านน้อมน้อมเสร็จอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเริ่มประกอคือคำพิยพิธรรมัตสังคาหานี้ด้วยสามาถแห่งการรวบรวมอัถฐแห่งพระพิธรรมเหล่าใดเมื่อจะยกอัถฐแห่งพระพิธรรมเหล่านั้นขึ้นแสดงโดยย่อจึงกล่าวคําว่าตัทพุตตาพิธรมมัตถะเป็นต้นนั่นเองซึ่งในคาถานั้นคือคําว่าคาถากับไม่ใช่คาถาเนี่ยต่างกันยังไงอันนี้พูดถึงผู้ที่จะเรียนพระตไตรปิฎกนั่นเอง คือคาถาเนี่ยมันเป็นกรอนของภาษาบาลีที่ที่เขาเขาเรียกว่าถ้าเป็นเขาจะมีคําเรียบเรียงอะนะเรียบเรียงเรียกจุนิยะจุนิยะก็เช่นถ้าใครอ่านพระไตรปิดกนะแล้วมันจะมีตัวดำดำหนาๆโผล่ขึ้นมาย่อหน้าข้างหลังย่อหน้าข้างหน้าเนี่ยนะแล้วตัวหนาๆไอตรงนั้นเรียกว่าคาถาแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเนื้อความติดกันพืดมาหมดเลยนะั้นเรียกว่าจุนิยะนะนะ ก็คือร้อยแก้วกับร้อยกรองอะนะถ้าร้อยแก้วก็คือเป็นพยัญชนะเรียบเรียงทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าร้อยกรองก็มาเป็นลักษณะคํากรอนนะไทยเรียกว่าคํากรอนคําโครงคําฉันแต่ทางทางธรรมะเรียกว่าคาถา ท, าที่เป็นคําฉันคือเอามาเรียบเรียงเข้าฉันทลักเนี่ยนีหนึ่งคาถาก็มีอยู่สองบรรทัดด้วยกันนะ ในคาถานั้นประกอบเนื้อความว่าอัฏฐะแห่งพระอภิธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้นโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะนะธรรมะที่พระผู้เจ้าตรัสไว้ในพอภิธรรมปิดกเนี่ยพระองค์ตรัสว่ายังไงนะผู้ที่ไปฟังอภิธรรมงานศพมาพอสมควรก็พอจะนึกออกอันนั้นแหละคือหัวข้อหัวข้อของพระอภิธรรมปิดกเนี่ยนะนะถ้าถ้า พอจะรู้เรื่องบ้างนะนะตอนที่ไปฟังงานศพนะเช่นตอนไหนสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยเขาจะมีสวดอภิธรรม7จ็ดคำพ์า ภ, รรำพภาคคําำมันนะเอาที่เป็นภาษาบาลีนะ ไ, ไทยไม่ใช่ที่เป็นบาลีว่ากุสลธรรมากุสลาธรรมาพยากระตาธรรมากตเมธรรมากุสลายสมิงสมเยกามาวัาจรังเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสวดคำพีธรรมสังคีนีโดยย่อเนี่ยนะโดยย่อ เสร็จแล้วก็ขึ้นว่าขึ้นคมภีวิพังก็ปัญจขันธารูปักขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทเนี่ยตถากรรโมรูปักขันโทยังกินจีรูปังอตีตานัคตะปัจจุบันังอันนี้ก็เป็นคำพีที่สองพอคัมภีที่สก็ขึ้นต้นว่าสังข oh, oh, ah ah ah ์ขหูสังขหสังคหิเตนะสังขหิตังสังขหิเตนะสังขหิตังเนี่ยจะขึ้นเองพอคำพีที่สี่ก็บอกว่า ชาปัญจติโยคันธปัญจติอายตนาปัญญติธาตุปัญติสัจจะปัญจติอินทรียาปัญจติปุคละปัญจติกิตาวัตถุฆลามังลปัญญติเนี่ยนะแต่เขาสวดเพราะกันนี้แล้วก็มีขึ้นอีกคำภีต่อไปก็คำภีกถาวัตถุเยเกจิกุสลาธรรมมาสเพเตกุสลอ่าขอปอ่ปุคโลอุปหลปฏิสัจฉิกถาปรมัตเธนาติเนี่ยนะนาหวังวัตเพเนี่ยนะพวกเนียเรียกว่าคำภีกถาวัตถุ พอจบกระถาวัตถุก็จะขึ้นยมกะว่าเยเกจิกุสลธรรมมาสาพเพ เ, เตกุสลาโมลายวาปนะกุสลาโมลาสเพเ ต, เตธรรมากุสลาเนี่ยนะอันนี้ก็คำพียมกกะก็ขึ้นแบบย่อๆมาเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็เฮตุปัจโยรามนาปัจโยติปติปัจโยนันดรปัจโยเนี่ยก็เป็นคมภีปัจฐานในคำพีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะโอ้โหเวลาขึ้นมาเป็นรูปแบบของคมภีแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เล่มโตมากดีนะท่านท่านยังพิมพ์เปย์นะปยานใหญ่เก้ารอเก้าไว้ให้ถ้าไม่มีเก้ารอเก้านะโอ้โหปิกอัพคันหนึ่งขนไม่หมดนะนะนะคือถ้าพิมพ์เต็มหมดอย่างที่พระองค์เทศนะะพิมพ์ทุกคําเลยอ่ะที่พระองค์เทศอ่ะนะถ้าอย่างนั้นก็ปิกอัพคนไม่หมดแนะนะ่เพราะอภิธรรมปีดกเนี่ยเนื้อความเท่าไหา 42, ร่สี่หมืนสองพันพระธรรมขันเะนี่ยนะแต่ว่าที่เหลืออยู่ไม่มากนักเ น, นะถ้าฉบับ ของมหามังกุรนี่ก็เริ่มตั้งแต่เล่ม75ถึง91กี่เล่มคุณผู้ชม75ถึง91 <15. S 1> คิดไม่ทันนะใครใครดีหัวดีหน่อยคิดหน่อย17เล่มนะประมาณนี้นนทีนี้เฉพาะอภิษฐร์คำพีปัฏฐานเนี่ยเเล่มนะ <15. S 1> อันนีเฉพาะปัฏฐาน7เล่ม คือธรรมสังคีณีนะธรรมสังคีณีมีสองเล่มเล่มเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกวิพังเนี่ยเจ็ดิแปดเจ็สิบเก้าเนี่ยนะจ็บแปดกับเจ็ดสิบเก้าไม่ใช่เจ็สิบเจ็ดกับเจ็9เจ็ดสิบเก้านี่เป็นธาตุกระทากับกับบุคคลมัญญัติหลังจากนั้นไปก็เป็นกระทาวัตถุเนี่ยนะเล่มแปดสิบขึ้นไปก็เป็นปฐฐานส่วนเล่มแปดสิบห้าไปก็เป็น ปทานทีนี้ว่าในคัมภีร์ทั้งหลายเหล่านั้นถ้าว่าโดยรวมๆย่อๆก็ขึ้นต้นด้วยกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเนี่ยนะหรือถ้าแบบวิพังค์ก็ขั น, น น, นะขันถวิพังคโคยตระนาวิพังคโคทาตุวิพังค์โคะทีนี้ถ้าบุคคลทั้งหลายผู้มีปัญญาไม่มากเวลาไปเรียนอย่างนั้นเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเข้าไปในอาณาจักรที่มันยิ่งใหญ่มา ก, ก น, นะก็ยากที่จะจับอะไรว่าเป็นอะไรได้ ทีนี้พระนุธาาจารย์ท่านบอกว่าในเนื้อความที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะหรือเนื้อความที่เป็นขันอาญตนะธาตุสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสนะถ้าจะว่าย่อๆแล้วมีสี่อย่างนะคือในนั้นมีจิตอย่างหนึ่งเจตสิกอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งแล้วก็นิพพานอีกอย่างหนึ่งนะในพุทธพจน์ทั้งหมดนะรวมๆแล้วมีอยู่เท่านี้เนี่ยนะอันนี้เฉพาะ บอกว่าเ no น anyway. ื้อความในอภิธรรมปิดกนะเราอย่าอย่าไปเอาปิดกอื่นมาปนด้วยเนี่ยนะเพราะว่าคำภีร์ที่เราจะพูดหมายถึงเน้นที่เรียนพระอภิธรรมเนี่ยนะเพราะประมาทในพระสูตรกับประมาทในพระวินัยเนี่ยนะก็คนละนายกับในายอภิธรรมที่กำลังจะกล่าวไปเพราะคําว่าประมาทในพระสูตรหมายถึงอย่างเช่นคําว่าอภิธรรมปีดกนี่เป็นประมาทัยเลยเนี่ยนะบอกว่าอภิธรรมปิดกนี่เป็นประมาท มากไปด้วยปรมาที่เป็นบัญญัติน้อยมากนะเป็นปรมัาทโดยมากหรือไงนั้นคําว่าปรมาทในพระสูตรถ้าเป็นอัตถกถาทั่วๆไปหมายถึงคําว่าขันอาญตนาธาตอินทรีย์ปฏิจจสติประธานสัมมาประธานกิเลตันหาพวกนี้เป็นชื่อของปรมัาทหมดอันนี้มีอยู่จริงโดยปรมัาทอันนี้เรียกว่าปรมาทซึ่งต่างจากบัญญัติคือบัญญัติว่าลุงป้านัอากษตริพราหมแพทยสูตรอะไรเนี่ยในพวกนี้จะเป็นบัญญัติ ประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรพวกนี้จะเป็นบัญญัติแต่ถ้าเป็นขันอาญตนาธาสติประธานสัมมาประธานพวกนี้ทั้งหมดเป็นปรมาิตย์หมดในความหมายของพระสูตรแต่ถ้าเป็นปรมาิตย์ในพุทธพจน์หมายถึงนิพพานเนี่ยนะอันนีปรมาิตย์ในพุทธพจน์เช่นแทงตลอดปรมาิตยสัจจะด้วยนามกายเนี่ยนะอันนี้หมายถึงนิพพานอย่างเดียวเพทั้งคําว่าปรมัทิตย์แต่ละแห่งก็ไม่ไม่ใช่มีความหมายเหมือนกันทั้งหมด แต่ที่กําลังพูดถึงว่าประมาสหมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนี้คือย่อเนื้อหาจากอภิธรรมปิดอกมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่จะต้องเอาไปอธิบายกับทุกคัมภีร์ไม่ใช่อย่างนั้น น, นะว่าเออเนี่ยประมาส ต, ต้องเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างนี้นะจึงจะเรียกว่าประมัสต์เอาไปอธิบายทุกคัมภีร์อย่างนั้นไม่ได้นั่นนะก็จะทําให้เนื้อหาในที่อื่นๆคลาดเคลื่อนไป เพราะคำแต่ละคำเนี่ยนะแต่ละแห่งจะอมความหมายไว้ไม่เท่ากันทีนี้ต่อไปว่าว่าโดยประมาทิที่ตรัดเอาไว้เนี่ยนะในคำเพียพิธมปิฎกเว้นเสียซึ่งสมมุติสัจจะเช่นเรื่องบุคคลอะไรทั้งหลายออกออกไปก็จะเหลือเฉพาะจิตเจตสิกรูปและนิพพานนั่นะคำว่าจิตนั้นถ้าสงเคราะห์โดยขัน5จิตคือขันไหนบอกวิญญาณขันนะ เจตสิกคือนามขันสามมีเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันส่วนรูปรูปประขันที่เป็นทั้งมหาภูตรูปและอุปาทายรูปส่วนนิพพานก็เป็นขันทวิมุตพ้นจากขันคือไม่ใช่ขันเป็นอสังขตะธรรมแต่ว่าเป็นอารมณะปัจจัยของมรรคผลนิพพานเนี่ยนะแล้วก็มีจิตอื่นบ้างตามสมควร ทีนี้ขึ้นต้นถึงคำว่าปรมัดเลยนะอธิบายชื่อว่าปรมัดเพราะอาัฐาว่าเป็นอัฐอันเยี่ยมคือสูงสุดนะนะประมัตัวนั้นเนี่ยแปลว่าสูงสุดหรือแปลว่าเยี่ยมหรือแปลว่าไม่วิปริตก็ได้ที่ชื่อว่าปรมัดเพราะอาจว่าอัดเป็นอัฐคือเป็นอารมณ์ของยาน หมายถึงว่าเป็นอารมณ์ของสัพพัญยุตยานอันยอดเยี่ยมคือสูงสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าปรมัตตรงนี้มีสองความหมายใช่ไหมความหมายแรกคือสิ่งที่เป็นปรมัต้ น, นสิ่งนั้นจะต้องสูงสุดและก็ไม่วิปริตอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเป็นอารมณ์ของสัพพัญยุตยานเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของสัพพัญยุตยานเนี่ยนะสองสองอัฏะสองความหมาย ซึ่งประมัติที่จะกล่าวต่อไปนะนะั่นคืออะไรก็คือจิตยกจิตขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตเพราะอัฏถาว่าคิดอธิบายว่ารู้แจ้งซึ่งอารมณ์เหมือนอย่างที่พระตถาจารย์กล่าวไว้ว่าวิสยะวิชานนะละนักษณงจิตมีการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์เป็นลักษณะวิสยะนี้แปลว่าอารมณ์นะวิสยัยวิสยัยเช่นวิสัยทัศเนี่ยนะ โดยสับนี่แปลว่าเห็นอารมณ์นะวิสัยทัทว่าตามศัพท์เฉยๆวิสยะแปลว่าอารมณ์นี่นะทัศนาแปลว่าเห็นแต่ถ้าที่นี้วิสยะตัวนี้แปลว่าอารมณ์วิชานะแปลว่ารู้แจ้งลักษณงก็คือกําหนดแปลว่ากําหนดก็ได้หรือแปลว่าลักษณะก็ได้แต่โดยศัพท์แปลว่ากําหนดนี่นะนะเพราะฉะนั้นจิตนั้นถ้ากําหนดแล้วก็คือรู้อารมณ์นั่นแหละลักษณะรู้อารมณ์ ทีนี้ลักษณะถ้าแปลเป็นศัพท์มาเป็นไทยว่ากำหนดแต่ทีนี้เราทับศัพท์จะคุ้นเคยหมดเลยเลยใช้คำว่าลักษณะไปจึงอยู่จิตเมื่อปัจจัยมีนิสัยปัจจัยและสมนันตระปัจจัยเป็นต้นแม้มีอยู่เว้นจากอารมณ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวถึงความที่จิตนั้นมีการรู้อารมณ์นั้นเป็นลักษณะ น, นะคือจิตธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์อย่างเดียวเนี่ย น, นะ มติของผู้ที่มักกล่าวว่าจิตไม่มีอารมณ์เนี่ยนะนะบางคนก็บอกจิตไม่รู้อารมณ์จิตไม่มีอารมณ์เนี่ยนะนะมีแต่จิตไม่มีอารมณ์หรอกก็ถูกคัดค้านแล้วด้วยบทว่าจิตมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะนั่นแหละเนี่ยนะผนละจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์จิตที่เกิดขึ้นโดโดโดดโดยที่ไม่รับรู้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้อีกอย่างหนึ่งสัมปยุตธรรมทั้งหลายย่อมคิดคือย่อมรู้อารมณ์ด้วยธรรมชาตินี้ เป็นเหตุเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตอันนี้เขาพูดอธิบายแบบผู้ที่เรียนไวยกรบาลีมาเนี่ยคงจะได้ในห้องเรานี่พอได้ไหมถ้าจะวิเคราะห์แบบไวยกรบ้างเลยนะเขาบอกว่าสัมปยุตรธรรมทั้งหลายสัมปยุตรธรรมเนี่ยหมายถึงนัขันน ะ, ะตัวจิตอย่างหนึ่งสัมปยุตรธรรมเนี่ยอย่างหนึ่ง ธรรมะตัวนี้แปลว่าสภาวะสัมปยุตตายุตตานี่แปลว่าประกอบสามก็คือพร้อมสิ่งที่ประกอบพร้อมกับจิตคืออะไรคือเวทนาขันเียนะเวทนาสัญญาและก็สังขารขันก็คือนามขันสามท่านวิเคราะห์จิตว่าธรรมชาติที่เป็นเหตุให้ สัมปยุตตธรรมรู้อารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตอันนี้เขาวิเคราะห์โดยทางวยายกร์เรียกว่าการณะสาธานณะการณะนี้เป็นลักษณะของเครื่องมือเช่นว่าคนตาไม่ดีจะเห็นได้เพราะอาศัยอะไรอาศัยเว้นตาใช่ไหมคนตาไม่ดีนะั้นถ้าจะเห็นชัดเพราะอาศัยเว้นอย่างเงี้ยหรือถ้าจะตัดต้นไม้อาศัยขวาน ชั้นใดก็ดีไอเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเนี่ยมันจะรับรู้อารมณ์ได้มันต้องอาศัยจิตจิตที่เป็นเหตุให้พวกเวทนาสัญญารู้อารมณ์นนะธรรมชาติที่เป็นเหตุนี่แหละเรียกว่าจิตอันนี้วิเคราะห์คาว่าจิตเรียกว่าพูดในฐานะว่าจิตนั้นเป็นเครื่องมือให้เจตสิกรู้อารมณ์อันนี้ความหมายในที่ ในที่2ในแรกบอกว่าในแรกก่อนนะในที่หนึ่งธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยคือสภาวะของเขาเนี่ยรู้อารมณ์อย่างเดียวเห็นไเรียกว่าวิสยะวิชาณะลักขณเนไงมมีการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์เป็นลักษณะถ้าพูด อย่างที่เราคุ้นเคยก็คือมีจิตยอย่างหนึ่งแล้วก็มีปัจจัยคืออารมณ์อารมณ์นี้หมายถึงอารมณ์ทั้ง6มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะและธรรมอารมณ์ถ้าเปรียบเทียบอุปมาท่านบอกว่าจิตเหมือนกับผู้ผู้เท่าและกันเขียนยังไงผู้เท่านึงเห็นะอารมณ์เหมือนกับไม้เท้าเ เพราะว่าจิตนี้ธรรมะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยต้องเหมือนกับผู้เท่าที่ต้องอาศัยไม้เท้าฉันใดจิตนี้เกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นบางบางพวกบางลัทธิเขาถือว่าจิตเนี่ยไม่รับรู้อะไรสักอย่างจริงๆแล้วจิตที่ไม่รับรู้อารมณ์ไม่มีในโลกในสายธรรมะเราต้องรับรู้แหละต้องรับรู้อย่างหนึ่งละว่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นนะแม้แต่ในอรูปภูม อรูปภูมิก็รู้อารมณ์จิตนี่นะที่สำคัญนะไม่อาศัยวัตถุได้ในปัญจโวโการภพนะไม่มีวัตถุได้ไม่มีสัมปยุตธรรมบางอย่างได้แต่ไม่มีอารมณ์ไม่ได้ต้องรู้อารมณ์แน่นอนเนี่ยนะนี่ความหมายที่หนึ่งที่กล่าวไปเมื่อกี้ ส่วนความหมายที่สองก็คือธรรมชาติที่เป็นเหตุให้สัมปยุตธรรมรู้อารมณ์เหมสัมปยุตธรรมตัวนี้ก็คือนามขันเมมันเป็นเหตุอะ ถ้าไม่มีจิตนะเวทนาสัญญาสังขารจะรู้อารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยในฐานะเป็นเหตุให้สัมปยุตธรรมเนี่รู้อารมณ์